พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4บสี่ระสูตรที่ส2สองทักขินาวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกทักศินาหรือของทำทานพระผู้มีพระภาคประทับณ น, นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทแขวนสักกะพระนางมหาประชาบดีโคตมีนำคู่ผ้าใหม่ซึ่งทรงกรอได้เองทอเอง ไปถวายพระผู้มีพระภาคขอให้ทรงรับเพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระผู้มีพระภาคตรัสแนะให้ถวายในสง์อันจะชื่อว่าบูชาทั้งพระองค์และพระสงฆ์พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงยืนยันขอถวายพระผู้มีพระภาคตามเดิมเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ทรงแนะนําตามเดิม แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระอานนท์จึงกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยอ้างอุปการะคุณซึ่งพระนางมหารชาบดีโคตมีเคยมีต่อพระผู้มีพระภาคในการที่ทรงเลี้ยงดูทรงให้ดื่มถันคือน้ำนมภายหลังที่พระพุทธมารดาสวรรคตและอ้างอุปการะคุณที่พระผู้มีพระภาค ทรงมีต่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นเหตุให้พระนางถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะทรงเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าไคร ทรงหมดความสงสัยในอริยสัจสี่ประการพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลอาศัยผู้ใดแล้วตั้งอยู่ในพระธรรมตามที่พระอานุ์กล่าวมานั้นพระองค์ไม่ตรัสการที่บุคคล น, นั้นกราบไหว้ลุกขึ้นต้อนรับทำอัญเชลีกรรมคือพนมมือไหว้ทำสามีจิกรรมคือการแสดงอัธยาศัยไมตรีให้เหมาะสมแก่ฐานะ และการให้ปัจจัยสี่มีผ้านุ่งห่มเป็นต้นว่าเป็นการตอบแทนอันดีต่อผู้ที่ตนอาศัยนั้นแล้วส่งแสดงทักษิณาคือของให้หรือของถวายที่เจาะจงบุคคลสิบสีประเภทเป็นข้อข้อไปคือการที่บุคคลถวายทานหรือให้ทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระปัจเจกพุทธเจ้าในพระอารหันตสาวก ข, ของพระตถาคตในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่ง อ, าา น, อนาคามมผลในพระสกทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลในท่านผู้ปราศจากความกำหนัดในการภายนอกพระพุทธศาสนาในปุถุชนคือคนยังหนาด้วยกิเลสแต่เป็นผู้มีศีลในปุถุชนผู้ทุศีลในสัตว์เดรัจฉานแล้วทรงแสดงว่าทักษิณามีคุณอันพึงหวังได้ คือทานที่ให้ในสัตว์เดรัจฉานมีคุณถึงร้อยในปุทุชนผู้ทุศิลป์มีคุณถึงพันในปุตตุชนผู้มีศิลป์มีคุณถึงแสนในท่านผู้ปราศจากความกำหนัดในกามภายนอกพระพุทธศาสนามีถึงแสนโกรธในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลมีคุณเป็นอสงไขย์คือนับไม่ได้อปปมัย คือประมาณไม่ได้จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงทานที่ถวายในบุคคลที่สูงขึ้นไปกว่านี้แล้วส่งแสดงทักษิณาของถวายที่เป็นไปในสงเจ็ดประเภทคือหนึ่งในสงสองฝ่ายหมายถึงภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 2. ในสงสองฝ่าย มีพระตถาคตบรินิพานแล้วสในภิกษุสงฆ์สในภิกษุณีสงฆ์หทักษิณาที่เจาะจงภิกษุหรือภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์6ทักษิณาที่เจาะจงภิกษุเท่านั้นเท่านี้จากสงฆ์ 7. ทักษิณาที่เจาะจงภิกษุณี เท่านั้นเท่านี้จากสง์ตรัสว่าในอนาคตการนานไกลจะมีโคตรภูสงผู้มีผ้ากาสาวะที่ขอเป็นผู้ทุศีนมีบาป ร, รมบุคคลจะถวายทานอุทิศสงในโคตรภูสงผู้ทุศีนเหล่านั้นแม้ทักษิณาที่เป็นไปในสงนั้นเราก็กล่าวว่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้ เราไม่กล่าวว่าทานที่เจาะจงบุคคลมีผลมากกว่าทักษินาที่เป็นไปในสง์โดยปริยายไร่เลยสำหรับคำว่าโคตรภูสง์หมายถึงสง์โดยชื่อแต่ความประพฤติย่อหย่อนอธิกราแสดงว่าได้แก่ผู้มีผ้ากาสาวะพันที่มือหรือที่คอพอเป็นเครื่องหมายแต่มีบุตรภริยา และประกอบอาชีพต่างๆเช่นกาิกรรมพานิชยกรรมตามปกติอันหนึ่งคำว่าโคตรภูนี้ยังหมายถึงผู้อยู่กึ่งกลางระหว่างพระอริยเจ้ากับปุถุชนพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงความบริสุทธิ์แห่งทักษินาสี่อย่างคือหนึ่งทักษินาที่บริสุทธิ์ป่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับ 2. ทัคซีนาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทัคซีนาที่ไม่บริสุทธิท์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกสทักษีนาที่บริสุทธิท์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหก พร้อมทั้งทรงแสดงรายละเอียดกำหนดความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ด้วยการที่บุคคลมีศีลมีกัลยาณธรรมและทุศีลมีบาปธรรม